แล้วเราก็ได้ลงโทษพวกเขาโดยให้พวกเขาจมน้ำในทะเลเ น, นึ่องโดยพวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาต่างๆของเราและพวกเขาก็ได้กลายเป็นผู้ที่ ไม่ใส่ใจต่อสัญญาณต่างๆเหล่านั้น และเราได้เป็นมรดกแก่กลุ่มชนที่เคยอ่อนแอซึ่งทางทิศตะวันออกของแผ่นดินและทางทิศตะวันตกของมันอันเป็นแผ่นดินที่เราได้มีความจำเริญ น, นั้นและ้ต้คำแห่งพระผู้บิบาลของเจ้าอันสวยงามยิ่งนั้นครบถ้วนแล้วแก้วงวานอิสราเอล เนื่องจากการที่พวกเขามีความอดทนและเราได้ทำลายสิ่งที่ฟิรูอุนและพวกพ้องของเขาได้กระทำไว้และสิ่งที่พวกเขาได้ก่อสร้างไว้ว่าจาวัลนาบิบเนีอิส ร, ราอิลับะฮ์ร์ฟาตูอัลาข้า ว, วมิยักฟูนอลลาอาัลลามิลละัม และเราได้วงวานอิสราเอลข้ามทะเลไปได้แล้วพวกเขาก็มายัางกลุ่มชนหนึ่งซึ่งประจำอยู่ที่บรรดาจเจวิตของพวกเขาพวกเขาได้กล่าวขึ้นว่าโอ้มซาจงให้มีขึ้นแก่เราด้วยเถอะ ซึ่งสิ่งที่เป็นที่เคารพสการะองค์หนึ่งเช่นเดียวกับที่พวกเขามีสิ่งที่เป็นที่เคารพสการะอยู่หลายองค์เขากล่าวว่าแท้จริงพวกเราเป็นพวกที่ฉุดเขาอินนาอูไลมุตับบรมาฮุมฟีฮิวบาติลมม่านูยัมมัลูถ้าจริงชนเหล่านี้แหละสิ่งที่พวกเขาเคารพสการะกันอยู่นั้น จะถูกทำลายและสิ่งที่พวกเขาเคยกระทำกันมาก็ไร้ผลเขากล่าวว่าอื่นจากอัลลอฮ์กระนั้นหรือที่ฉันจะสแสวงหาสิ่งที่เป็นที่เคารพสการะให้แก่พวกเจ้าทั้งทั้งที่พระองค์ได้ทรงเทิดพวกเจ้าไว้เหนือประชาชาติในสากลโลกวอ และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้ช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากพวกพองของฟิรูน โดยที่พวกเขาบังคับขู่เข็นพวกเจ้าซึ่งการทรมานอันร้ายแรงพวกเขาได้ฆ่าบรรดาลูกผู้ชายของพวกเจ้าและไว้ชีวิตบรรดาลูกผู้หญิงของพวกเจ้าและในเรื่องนั้นคือการทดสอบอันสําคัญจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าวามล ten, วมนนาามบบรีบ และเราได้สัญญาณแก่มูซาสาสคืนและเราได้มันครบอีกสิบดังนั้นกำหนดเวลาแห่งพระพูยบานของเขาจึงครบ4ี่สิบคืนและมูซาได้กล่าวแก่ฮารูนพี่ชายของเขาว่าจงทำหน้าที่แทนฉันในกลุ่มชนของฉัน และจงปรับปรุงแก้ไขและจงอยากปฏิบัติตามทางของผู้ทำชั่ววะลَมมะจ่ามูซาลิม قاتنا وكلمه ربه قال رب أ, أ ِ ن ي أ ُ ر إ ل ك قال لن تراني ولكن ُ ر إلى الجبر فإن استقر مكانه فسوف تراني แล้วเมื uh ่อมูซาได้มาตามกาหนดเวลาของเราและพระผู้อภิบาลของเขาเขาได้ตรัสแก่เขาและเขาก็ได้ก like ล่าวขึ้นว่า โอพระวิบาลของฉันโปรดให้ฉันเห็นด้วยเถิดโดยที่ฉันจะได้มองดูพระองค์พระองค์ตรัสว่าเจ้าจเจนข่าไม่ได้เป็นอังคาดแต่ถ้าว่าเจ้าจงมองดูภูเขานั้นเถิดถ า, ากมันมั่นคงอยู่ณนะที่ของมันเจ้าก็เจนข่าครั้นเมื่อพระผู้วิบาลของเขาได้ปรากฏที่ภูเขานั้นก็ทาให้มันทลายตัวอย่างราบเรียบและมูสาก็ล้มลงในสภาพที่หมดสติ ครั้นเมื่อเขาฟื้นขึ้นเขาก็กล่าวว่าพระองค์ท่านผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ฉันขอลูกแก่โทษต่อพระองค์และฉันนั้นคือคนแรกในหมู่ผู้ศรัทธาทั้งหลายอาลยามูซาอินนิสต์ฟัยตุกอลันนาสบิริซาลาตีวะบิคลามีฟะคุดมาอาตัยตุกวะคุมมินชาคิรีน พระองค์ตรัสว่าอมูซาถ้าจริงข้าได้เลือกเจ้าให้เหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายนึ่งด้วยสาระของข้าและด้วยถ้อยคำของข้าดังนั้นจนยึดถือสิ่งที่ข้าได้ให้แก่เจ้าและจงอยู่ในหมู่ผู้กตันอยู่รู้คุณว่าจะบนาลูฟิลอัลวาฮิมุลลิชัยอิมมูอิร์ตวะทัฟซีลลิคุลลิชัย ดมดและเราจะบันทึกคำตักเตือนทุกสิ่งและแจกแจงทุกอย่างไว้ให้แก่เขาในแผ่นจารึกดังนั้นเจ้าจงยึดถือมันไว้ด้วยความเข้มแข็งและจงใช้พวกค้องของเจ้าเถิดพวกเขาก็จะยึดสิ่งที่ดีที่สุดของมัน ข้าใจพวกเจ้าได้เห็นที่อยู่ของคนชั่วทั้งหลาย ب ب ي ي ข้าจะหนเหแบนดาผู้ถียาโสในแผ่นดินโดยไม่บังควรออกจากบรรดาองค์การของข้าและแม้ว่าพวกเขาจะได้เห็นสัญญาณทุกอย่างพวกเขาก็จะไม่ศรัทธาต่อสัญญาณ น, นั้นและหากพวกเขาเห็นทางแห่งความถูกต้องพวกเขาก็จะไม่ยึดถือมัน และพวกเขาเห็นทางแห่งความผิดพวกเขาก็จะยึดถือมันนั่นก็เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธบรรดาองค์การของเราและพวกเขาจึงได้เป็นผู้หลงลืมองค์การเหล่านั้น และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดาองค์การของเราและการพบกับวันประโลกนั้นบรรดาการงานของพวกเขานั้นย่อมไร้ผลพวกเขาจะไม่ถูกตอบแทนนอกจากสิ่งที่พวกเขาเคยกระทำเท่านั้น to และกลุ่มชนของโมูสาได้ยึดเอาลูกวัวที่เป็นรูปร่างซึ่งทํามาจากเครื่องประดับของพวกเขาหลังจากเราซึ่งลูกวัว น, นั้นมีเสียงร้องพวกเขาไม่ได้เห็นดอกหรือว่าแท้จริงมันพูดกับพวกเขาไม่ได้และมันก็แนะนําทางใดทางหนึ่งให้แก่พวกเขาไม่ได้พวกเขาได้ยึดถือลูกวัว น, นั้นและพวกเขาจึงได้กลาย เป็นผู้ธรรและเมื่อพวกเขาได้เสียใจต่อการกระทมและได้เห็นว่าพวกเขาได้หลงผิดไปแล้วพวกเขาจึงได้กล่าวว่าแน่นอนถ้าหากพระพู้ิบาลของเรา ไม่ได้เมตตาแก่เราและไม่ได้อาัยาโทษให้แก่เราแล้วแน่นอนพวกเราก็จะต้องตกอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน أعجلتم أمر ربكم و أ ل ق ى الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا ت ش م ت ب ي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. และเมื่อมูซาได้กลับมายังกลุ่มชนของเขาด้วยความโกรธและเสียใจเขาได้กล่าวว่าช่างเลวร้ายจริงๆที่พวกเจ้าทําหน้าที่แทนฉันหลังจากฉันไปเข้าเฝ้าหรอพวกเจ้าด่วนกระทํำไปก่อนคําสั่งของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้ากระ น, นั้นหรือแล้วเขาได้โยนแผ่นจารึกลงและจับศีรษะของพี่ชายของเขาโดยดึงมันมายังเขาเขากล่าวว่าโอ้ลูกของแม่ ถ้าจริงกลุ่มชนเหล่านั้นเห็นว่าฉันเป็นผู้อ่อนแอและพวกเขาเกือบจะฆ่าฉันแล้วแต่นั้นจงอย่าให้ศัตรูทั้งหลายดีใจต่อสิ่งที่ประสบกับฉันเลยและจงอย่าให้ฉันร่วมอยู่ในกลุ่มชนที่อาจทรรมเหล่านั้นเลยเขากล่าวว่า โอ้พระผู้อวยบาปของฉันโปรดอภัยโทษแก่ฉันและพี่ชายของฉันด้วยและโปรดได้ทรงให้พวกเราเข้าอยู่ในความเมตตาของพระองค์ท่านด้วยเถิดและพระองค์นั้นคือผู้ทรงเมตตายิ่งกว่าผู้เมตตาทั้งหลายอินนัลที่นั่นทั่วโลกจะยินาลุ่มร่ำร้มิรับบิหิมวัดิลล์ตุฟิลฮัยติอัน แท้จริงบรรดาผู้ที่ยึดเอาลูกกัวเป็นที่เคารพบูชานั้นความเคริ้วโกรธจากพระผู้บานของพวกเขาและความตกต่ำในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้จะประสบแก่พวกเขาและในทํานองเดียวกันเราจะตอบแทนโดยการลงโทษแก่บรรดาผู้ที่อุปลกุกความเท็จขึน้น ي, และบรรดาผู้ที่กระทำความชั่วแล้วสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวหลังจากนั้นและศรัทธาแล้วไซแท้จริงพระผู้เป็นเของเจ้านั้นย่อมเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตา หลัังจากนน้และเมื่อความเกลียวโกรธได้สงบลงจากมูซาเขาก็เอาบรรดาแผ่นจารึกนั้นไปและในสิ่งที่ถูกจารึกนั้นมีคำแนะนำและความเมตตากับบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระผู้อิบานของพวกเขา و َ خ ت َ ا ر َ مُوسَى قَوْمَهُ س َ ب ع ِ ي ن َ ر َ ج ُ ل ا ل ِ م ِ ق ا ت ن َ ا فَلَمَّا أ َ خ َ ذ َ ت ْ ه ُ م ا ل ر ج ف َ ة ُ قَالَ رَبِّ ل َ و ش ئ ْ ت َ أ َ ه ل َ ك ْ ت َ ه ُ م مِنْ قَبْلُ و َ إ ي ا ي أَتُهْلِكُنَا بِمَا ف َ ع ل َ ا ل س ّ ف َ ه َ ا ء مِن และมูซาได้เลือกชายเจสบคนจากกลุ่มชนของเขาสำหรับกำหนดเวลาของเรา ขั้นเมื่อความเคลื่อนไหวอันรุนแรงได้ฆ่าพวกเขาเขากล่าวว่าโอ้พระวิบาลของฉันหากพระองค์ทรงประสงค์แล้วพระองค์ก็ทรงทํำลายพวกเขาไปก่อนแล้วพร้อมทั้งฉันด้วยพระองค์ก็จะทรงทํำลายพวกเราเนื่องจากด้วยการกระทําของผู้โชดเขาในหมู่พวกเรากระนั้นหรือมันไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากการทดสอบของพระองค์ท่านเท่านั้น พระองค์จะส่งให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์หลงผิดเนื่องโดยการทดสอบนั้นและจะส่งให้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์นั้นคือผู้ทรงคุ้มครองพวกเราดังนั้นโปรดได้ทรงอภัยให้แก่พวกเราและเมตตาพวกเราด้วยเถิดและพระองค์ท่านนั้นคือผู้ทรงดีเยี่ยมในหมู่ผู้ให้อภัยทั้งหลาย و َ أ ك ْ ت ُ ب ْ لَنَا فِي هَذِهِ ا ل د ُّ ن ْ ي َ ا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدَنَا إلَيْكَ ِ قَالَ ع َ ذ َ ا ب ي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَآءُ وَرَحْمَتِي و َ ا س ِ ع َ ت ْ كُلَّ شَيْءٍ ال และโปรโดได้ทรงกำหนดความดีให้แก่พวกเราในโลกนี้และในปรโลกด้วยแท้จริงพวกเราสำนึกผิดต่อพระองค์ท่านแล้วพระองค์ตรัสว่าการลงโทษของข้านั้นข้าจะให้มันประสบแก่ผู้ที่ข่าประสงค์ และความเมตตาของข้านั้นกว้างขวางทั่วทุกสิ่งซึ่งสิ่งที่ข้าจะกำหนดมันให้แก่บรรดาผู้ที่ยำเกรงและชำระจะกาศและแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อบรรดาองค์การของเรา الذين يتبعون الرسول النبي ا ل أ م ي الذي يجدونه م ك ت و ب ا عندهم في التوراة يجدونه م ك ت و ب ا ع عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف و ي ن ه ا ه م عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلى التي كانت عليهم. فال ذ, ذ ي ن آمنوا به وعزروه ونصره و ا ت ب ع نور الذي ن ز ل معه و ل ئ ك هم المفلحون คือบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามหอดศูนผู้เป็นนบีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นที่พวกเขาพบว่าเขาถูกจารึกอยู่ที่พวกเขาทั้งในคำเภีรยต่ารด และในคมภีอินยีนโดยที่เขาจะใช้พวกเขาให้กระทำความดีและห้ามพวกเขาไม่กระทำความชั่วและจะอนุมัติสิ่งดีๆให้พวกเขาและจะห้ามสิ่งเร็วๆแก่พวกเขาและจะปลดเปลื้องภาระหนักของพวกเขาและห่วงคอที่ปรากฏอยู่บนพวกเขาออกไปจากพวกเขา ดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขาและให้ความสำคัญแก่เขาและช่วยเหลือเขาและปฏิบัติตามแสงสว่างที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วไซ่ชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่ได้รับความสำเร็จ จงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าโอมนุษย์ทั้งหลาย แค่จริงฉันคือาศาสนาทูตของอลัลลอฮ์มายังพวกเจ้าทั้งหลายสำหรับพระองค์นั้นมีอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินไม่มีพระเจ้าที่ควรได้รับการเคารพสักการะนอกจากพระองค์เท่านั้นผู้ทรงให้เป็นและผู้ทรงให้ตายเท่านั้นพวกเจ้าจงศรัทธาต่ออลัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ผู้เป็นนบีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึ่งเขาศรัทธาต่ออลัลลอฮ์พระรำดับทั้งหลายของพระองค์ และพวกเจ้าจงปฏิบัติตามข้อเถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับทางนำและจากกลุ่มชนของมูซาจะมีกลุ่มหนึ่งที่ให้คำแนะนำด้วยความจริงและด้วยความจริงนั้นพวกเขามีความเที่ยงทาง و َ ق َ ط َ ع ْ ن َ ا ه ُ م ُ ث ْ ن َ ت َ ي عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ أُمَمًا و َ أ َ و ْ ح َ ي ْ ن َ ا إِلَى مُوسَى ِ ل َ ت َ س ْ ق قَوْمُهُ أَنْيَضْرِبْ ب ِ ع َ ص َ ا ك َ ا ل ْ ح َ ج َ ر َ فَبَجَسَتْ مِنْ م ُ ث ْ ن َ ت َ ي عَشْرَةَ ع َ ي ْ ن َ ا ٍ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْ ลลและเราได้แบ่งพวกเขาออกเป็น12หล่าคือ12กลุ่มและเราได้ให้องค์การแก่มูซาขณะที่กลุ่มชนของเขา ได้ขอน้ำจากเขาว่าจงตีหินก้อนนั้นด้วยไม้เท้าของเจ้าแล้วตาน้ำสิบสองตาก็พวยพุ่งออกจากก้อนหินนั้นแท้จริงกลุ่มชนแต่ละเหล่าย่อมรู้แหล่งน้ำดื่มของตนและเราได้เมฆบทบางพวกเขาและเราได้ประทานของหวานและนกคุ้มลงมาให้แก่พวกเขา พวกเจ้าจงบริโภคสิ่งดีๆที่เราได้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเจ้าเถิดและพวกเขาหาได้อาธรรมแก่เราไม่แต่ถว่าพวกเขาอาธรรมพวกเขาเองตั้งหกัก ين ين และเมื่อถูกกล่าวแก่พวกเข้าว่าจงอาศัยอยู่ในเมืองนี้เถิดและจงบริโภคจากในเมืองนั้นณนที่ใดก็ได้ที่พวกเจ้าประสงค์และจงกล่าวว่าฮิตโตและจงเข้าประตู ไปในสภาพผู้โน้มศีรษะลงด้วยความคารวะเราก็จะเอาภัยโทษให้แก่พวกเจ้าซึ่งบรรดาความผิดของพวกเจ้าและเราจะเพิ่มภูนให้แก่บรรดาผู้ ก, กระทำความดีทั้งหลาย5 5 และบรรดาผู้ที่อธรทมเหล่านั้นก็ได้เปลี่ยนเอาคำพูดหนึ่งซึ่งไม่ใช่คำพูดที่ถูกกล่าวแก่พวกเขาดังนั้นเราจึงได้ส่งการลงโทษจากฟากฟ้ามาอย่างพวกเขาเนื่องจากการที่พวกเขาอาจทำ <S <S أ أ แล้วเจ้าจงถามพวกเขาถึงเมืองที่อยู่ใกล้ทะเลขณะที่พวกเขาได้ละเมิดในวันเสาขณะที่ปลาได้มาอย่างพวกเขาในวันเสารในสภาพ ลอยตัวหเห็นบนผิวน้ำและวันที่เขาไม่ถือว่าเป็นวันเสาร์ปลาเหล่านั้นหาได้มาอย่างพวกเขาไม่ดังกล่าวนั้นเราจะทดสอบพวกเขาเนื่องด้วยการที่พวกเขากระทาชั่ววาอิกรัตุอุมมตุมมินฮุมลิมเตื้อญูนกูมัลลาฮมุฮลิก uh ุม um อวมุ ع ذ ุม uh um าบ ا ب ا ش ด, ด และจงดลึกขณะที่กลุ่มหนึ่งในพวกเขากล่าวว่าเพราะเหตุใดเล่าพวกเจ้าจึงตักเตือนกลุ่มชนที่อัลลอฮจะส่งเป็นผู้ทำลายพวกเขาหรือเป็นผู้ลงโทษพวกเขาอย่างรุนแรงพวกเขากล่าวว่าการที่เราตักเตือนนั้นเพื่อเป็นข้ออ้างต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและเพื่อว่าพวกเขาจะได้อย่างเกรง فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أ َ ج َ ي َ ن َ ا ل َّ ذ ِ ي ن َ ي َ ن ْ ه َ و ُ ن َ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ท่านเมื่อพวกเขาลืมสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนเราก็ช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ห้ามปราบการทำชั่วให้รอดพ้นและได้จัดการแก่บรรดาผู้ที่อาจทำเหล่านั้นด้วยการลงโทษอันรุนแรงเนื่อง้วยการที่พวกเขาละเมิมมมมมดท่นานเมื่อพวกเขาได้ละเมิดสิ่งที่พวกเขาถูกห้ามเราก็ประกาสิแก่พวกเขาว่า พวกเจ้าจงเป็นลิงที่ต่ำต้อยเถิด และจงรำลึกถึงขณะที่พระผู้อภิบาลของเจ้าได้แจ้งให้ทราบว่าแน่นอนพระองค์จะส่งมาให้มีอำนาจเหนือพวกเขาจนถึงวันเกียรมะและผู้ซึ่งที่จะบังคับขู่เข็นพวกเขาด้วยการทรมานอันร้ายแรงแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นทรงเป็นผู้รวดเร็วในการลงโทษและแท้จริง พรงนั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้สรงเมตตาเสมอและเราได้แยกพวกเขาออกเป็นกลุ่มกลุ่มในแผ่นดินจากพวกเขานั้นมีคนดีและจากพวกเขานั้น มีอื่นจากนั้นและเราได้ทดสอบพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีๆและสิ่งที่ชั่วๆเพื่อว่าพวกเขาจะกลับมาแล้วก็มีผู้ที่หลังจากนั้นก็กลับมาแะพวกเขาก็จะกลับมาและพวกเขาก็จะกลับมาฮละพวกเขาก็จะกลับมาและพวกเขาก็จะกลับมาและพะ خ خ และได้มีกลุ่มชนที่ชั่วกลุ่มหนึ่งสืบแทนหลังจากพวกเขาซึ่งได้รับช่วงคำเพีเอาไว้ โดยที่พวกเขารับเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆแห่งโลกนี้และกล่าวว่ามันจะถูกอภัยให้แก่เราและหากมีสิ่งเล็กๆน้อยๆเยี่ยงเดียวกันนั้นมาอย่างพวกเขาพวกเขาก็รับเอามันไว้อีกไม่ได้ถูกเอาแก่พวกเขาดอกหรือซึ่งข้อสัญญาของคำภีที่ว่าพวกเขาจะไม่กล่าวพลาดพิงเกี่ยวกับอัลลอ์นอกจากความจริงเท่านั้น และพวกเขาก็ได้ศึกษาสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์นั้นแล้วและที่พำนักแห่งปโรโลกนั้นคือสิ่งที่ดียิ่งสำหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรงพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรือและบรรดาผู้ที่ยึดถือคัมภีร์และปฏิบัติละหมาดนั้น แท้จริงเราจะไม่ใหร้รางวัลของผู้ปรับปรุงทั้งหลายต้องสูญไป จงระลึกถึงขณะที่เราได้ให้ภูเขาลูกนั้นไว้ตัวและถอนตัวขึ้นเหนือพวกเขาประหนึ่งเป็นสิ่งที่ให้เงาร่มและพวกเขาคิดว่ามันจะตกลงทับพวกเขาพวกเจ้าจงยึดเอาสิ่งที่เราได้ไว้แก่พวกเจ้าอยา่างจริงจังเถิดและจงราลึกถึงสิ่งที่มีอยู่ในนั้นหวังว่าพวกเจ้าจะยังเกรง وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ ب َ ن ِ ي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ دُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَلَتَقُولُ و ا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كُنَّا عَنْهَا ذَغَفِلِينَ จงนำลึกถึงขณะที่พระผู้อิบาลของเจ้าได้เอาจากลูกหลานของอดัมซึ่งลูกๆของพวกเขาจากหลังของพวกเขาคือให้ลูกๆของพวกเขาเกิดขึ้นจากอสุจิของพวกเขาและการที่ทรงกล่าวว่าจากหลังของพวกเขาเป็นการกล่าวพาดพิงถึงการปฏิสนธิลูกอันธะในตอนเริ่มแรกของเด็กกล่าวคือ ขณะที่ทารกอยู่ในคันนั้นลูกอันทะจะเริ่มปรากฏอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังและเมื่อเด็กเจริญขึ้นลูกอันทะก็จะค่อยเลื่อนลงมาจนกระทั่งอวัยวะทุกส่วนเจริญสมบูรณ์แล้วลูกอัน t ะก็จะเข้าประจำที่ของมันตามที่เราทราบกันอยู่และให้พวกเขายืนยันแก่ตัวของเขาเองโดยตอบคำถามที่ว่า ข้ามิใช่พระผู้อภิบาลของเจ้าดอกหรือพวกเขากล่าวว่าใช่ครับพวกเราขอยืนยันมิฉะนั้นพวกเจ้าจะกล่าวในวันกียรมะว่าแท้จริงพวกเราไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย